อยากิโยนทงหลายวันนี้เป็นวันที่สามเขาเดินในสายยนใช่ไหมเ้ยนะวันที่หกมาเอ้ยพยักหน้าเลยเรียกคุณ พ, อพ่อยักเป็นวันที่สามในการสอนอรรธรรมฐานสําหรับวันนี้ก็จะขอแนะนําผลของการปฏิบัติตัวสุดท้ายนะก็มีอยู่ว่าทําไมเราจะต้องสอนเจริญเพื่อธรรมทานเป็นเพราะอะไร ถ้าการทําบุญทุกอย่างไปสวรรค์ก็ได้ไปทองโลกก็ได้ไปนิพพานก็ได้ถ้ามันนั่งเมื่อยหรือเพือ่อประโยชน์อะไรถ้าว่าถามแบบนี้ปัญญาย่อไปอยังไงต้องตอบว่าอยากทําจ้ะเรื่องราวนะก็ความจริงการเจะเปพระกรรมฐานนีคุณภาพมากแต่เขาเป็นเวยก่อนการทําบุญทุกอย่างก็มีผลตัวอย่าง เส็นสุปฏิทิศเทพบุตรเขาไม่เคยทำบุญเลยใช่ั้มตั้งแต่เกิดมาทำบาปอย่างเดียวทำลายทั้งศิล์นทำลายทั้งธรรมิงนก็ทำลายหมดทุกข้อเรียบร้อยธรรมะก็ทำลายอย่างคนที่อยากฟังเทศก็สนใจเรื่องธรรมะก็แกล้งส่งเสียงกลบเขาจะไปทำบุญเห็นแล้วแต่เป็นไม่เห็น ได้ยินแล้วแต่งทำเลยไม่ได้ยินถ้าดึงตุราไม่ารทุกอย่างเสินทั้งหมดไม่มีความดีไม่มีทานไม่เคยใ ห, ให้แต่ว่าพอก่อนจะตายบังเอิญทุกวิชนามันมากก็มองดูสามองดูาดูพัญญาบทธิดาคาช่ายหญิงชายทรัพย์สินกัน็นคนรวยเขาเปคนรวยก็คิดในใจว่าทุกคนสงสารเรา แต่ว่าไม่มีใครเลยที่แบ่งเบาภาระของเราไปได้ทุกเวลาน่าตกอยู่เราคนเดียวเวลานั้นพระเจ้าสเสด็จประทับอยู่กใกล้ๆคืไปคือมามบ่อยๆแต่นั้นนะแต่แก็แกไม่เคยแม้จะยกมือไหว้ก็ไม่เคยฟังทายก็ไม่เคยให้ไม่ยอมรับนับถือพระทั้งหมดทุกอย่างไม่รับถือถือว่าตายแล้วศูนย์แต่ว่าพอทุกเวลามนมากอยู่เราทนเดียว จิตใจได้นึกถึงพระพุทธเจ้าแต่การนึกถึงไม่ได้นึกถึงให้มาช่วยให้มาช่วยให้ได้ธรรมะธรมโอไม่ใช่อย่างนั้นนะตั้งใจเขาลือว่าพระสมณะโคดมใจดีมีเมตตาจิตขอให้มาช่วยหาทุกข์เวทนาขณะที่ใจคิดอย่างนั้นก็บเบื่อหน่ายพอดีอาศัยที่นึกถึงพระเจ้าหน่อยเดียวแต่ก็ไม่เห็นึัความเคารพนับต้องการจะเป็นว่าท่านมีเมตตา ค่อยมารักษาโรคให้หายอาศัยบุญเล็กน้อยเพียงเท่านี้ตายจากความไมคุนจะเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดรงหรือบโลกมีนางฟ้าหนึ่งพันบริวารมีมันทองคำความจริงแค่นี้ก็พอแล้วมั้งแต่อย่าลืมนะนั่นเป็นการบังเอิญบังเอิญเพรควานึกถึงพู้เจ้าขึ้นมาแต่หากว่าถ้าเราจะเปล่อย่างนั้นน้างถ้าบังเอิญเวลาเราจะตายไม่นึกถึงแล้วว่างไงอนะ คนนรกไทีนี้มาพูดถึงคนทำบุญมากคนทำบุญมากเด็ก็ลงนรกเป็นเหมือนกันถ้าไม่เจริญกรรมาฐานอ่เป่าสูบไปตามๆกันนะมีตัวอย่างตัวอย่างคือมันาั่านา ง, นางมารีกาเทวีในพระสีพระเจ้าพระเสียรพโกศนท่านูลนี้ทำบุญหนักมากแม้แต่นางวิสาขาก็สู้ไม่ได้ คือว่าพระเจ้าประสิทิ์ที่กสนทัางเป็นนักบุญแล้วพระเจ้าเสด็จไปทั้งถวายทานก็นจะถวายก็ให้เป็นถ้ารายการประกาศให้ชาวบ้านมาดูการถวายทงฆทานชาวบ้านเห็นว่าราชาทําได้เราพวกเราก็ทําได้รวมตัวกันถวายทานยิ่งกว่าพระราชาพระราชาก็มายอมแพ้รุ่งขึ้นเอาเงาเอาให้นักกว่าอีกเราพระราชาแพ้ไม่ได้ใช่ไหมยันกันไปยันกันมาในทิ่สุดพระราชาไหายทอง สบายเก็มากกว่าก็เลยต้อนอนไม่พูดไม่จาใครทั้งหมดพนังมริกาเทวี TV ก็ถามถึงความเป็นภพนในที่สุดก็บอกพระเจ้ากระเสดิชเชอร์โกสันสสสก็บอกว่าในฐานะที่เราเป็นพระราชาแต่การถวายทานแพ้ประชาชนนี่มันไม่น่าจะเป็นคนไม่น่าจะอยู่พนัเมณิกาก็บอกว่าสิ่งที่จะเหลือประชาชนนั้นมีอยู่คืออธิษฐานอาธิษฐานนะ มีอะไรบ้างไปถามพาะ ด, ดูก็แล้วกันคือไลฟ์ฟังวันนี้ไม่จบพระพุทธเจ้าสรงบอกว่าพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งตัดมาในโลกคนที่จะถวายที่สถานได้มีคนเดียวแล้วก็คนที่จะถวายต้องเป็นผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายที่คิดได้นะถ้าพนังมณีกายียขออนุญาตถวายที่สถานพระเจ้าเสด็จสุวสวรรค์ฟังแล้วประชอบใจว่าท่านมีความดีทุกอย่างไม่เคยทําบาปไป้แต่น้อยแต่ว่ามีคืนหนึ่ง ตอนมันมุดแล้วดับไปแล้วนะท่านอยากจะไปไปซ่วมไปทาไมไปขี้ก็เยี่ยวไปทำไมไปนั่งกับประธาน <c oughs> บางเอิญเท้าไปสวดเท้าพัสส า, ามีเข่าท่านตกใจคิดว่าเป็นบาปเป็นความชั่วเสยียใจในสุดพัสสามีก็ต้องตอบบอกตามความจริงว่าไม่ถือโทษพานางก็ไม่เคยทำแบบนี้นะก็มีลมเศร้าหมองนม่เวลาจะตาย จิตเป็นนึกถึงอมเร้าหมองตัวใ้เขานิดเดียวออกจากร่างแต่งตัวเป็นนางฟ้าเป็นอัตราแล้วก็ต้องไปที่นรกเอาเท้าที่สะดุเท้าวระสามีเนะี่ยแยไปในไฟนรกแค่ตาตุม่มชิดเวลาเจ็ดวันของมนุษย์ถึงไหมไม่โทษทีดาล่ะเขามีขุมนะเ <c oughs> อาให้ดีนะไม่ต้องเย็บปากแต่เราไม่ได่าก็แล้วกันฮะเขามองมเปล่า ห้ามถามเอหมือนว่าเขาไม่ตอบแล้วก็ไม่ถามก็เป็นว่าอยู่แค่เจ็ดวันพอได้มากล่าถึงพระเจ้าบุษเสนที่โกรลก็มีความรู้สึกว่าพระเจ้าทรงประศัพด์พันญูคําว่าศัก์พัญญยนี่รู้ทุกอย่างอะไรที่พระเจ้าไม่รู้ไม่มีฉะนั้นเมื่อปัญญาของเราเป็นนักบุญขนาดนี้ตายเราอยู่ที่ไหนจะต้องไปถามพระพุทธเจ้า ถึงเวลาตอนเชา้าให้เจ้าหน้าที่จัดาหารเสร็จก็ไปที่พระพุทธวเจ้าที่สวนถวายพระตาหารแล้วก็ฟังเทศจากพระเจ้ า, สส า, าพระเจ้าทรงทราบว่าพระเจ้าปฏิเสธนักธิกศรถ้าหากวัดถามเวลานี้เราก็ต้องตอบตามความเป็นจริงว่าพนางมริกาเทีวีนี่อยู่ที่นรกใช่ไหมถ้าเป็นอย่างนั้นพระเจ้าปฏิสธนักธิกศลจะเลิกทําบุญทันที เพราะว่าคนดีขนาดพระนางมาริกาทําบุญอย่างลงนรกพระเจ้าเลยดันบันดาลให้ลืมเนี่ยตั้งท่าไปถามแบบนั้นน่ะเจ็ดวันพระเจ้าก็ทรงบันดาลให้ลืมทั้งเจดวันนีพอวันที่เจ็ดผ่านไปถึงวันที่แปดพระนางมารีกาก็ค้นอยากโทษเห็นไหมเจ้ามองนิดเดียวขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ฉันเดาดินเสวเทวโลกวันที่แปดพระเจ้าก็คลายฤทธิ์ให้พระเจ้าประเสริฐในที่กุศลนึกออก พอฟังเทศจบชาวบ้านเขากลับแล้วก็นึกขึ้นมาได้บอกโอ้โหตั้งเจ็ดวันเรานึกจะมาถามพระเจ้าแต่บังเอิญลืมทุกวันมีวันนี้นึกตอบต้องถามก็ถามว่าพันเตพระโวาข้าแต่องค์สงเสริญพระพาทธเจ้าพเจริญมณิกาเทวีมาเหสีข้าพระเจ้าตายจากความเป็นคนเวลานี้อยู่ที่ไหนในเสียธาบระถามว่าเวลานี้อยู่ที่ไหนพระเจ้าบอกอยู่ดาวดึง ถามว่าเวลานี้เนี่ยจ้ะใหถามว่าตายแล้วเขาไปไหนโง่โง่โง่แบบนั้นดันไปถามพระเจ้าด้วยก็เป็นนั้ว่าคนถึงแม้จะทำบุญหนักแต่ว่าเวลาจะตายถ้เ า, าเบือเอินจิตเป็นเรื่องอกุศลเข้าอย่างใดอย่างหนึง่งอกุศลก็จะพาลงระบายภูมก่อนฉะนั้นจึงมีความจําเป็นจะต้องเดินสมาธิคําว่าสมาธิในแปลว่าการตั้งใจ อย่างที่ท่านหลายทำบุญกันเนี่ยก็จบอกว่าโอ้หลวงพ่อ ม, มาทีไรฉันถวายสังฆทานทุกทีการถวายสังฆทานแต่ละครั้งมีสิทธิเกิดบนสวรรค์ชั้นที่ห้าเรียกว่า ม, มารดีนะถ้าาจะไม่ไปก็ได้แต่ทั้งนั้นก็ดีบรรดาญาโยพระทวารสั ต, รตเราอาจจะเผลอได้ตามบาลีว่าเอากระรังจิตตังจิตดวงเดียวเที่ยวไปจิตจะมารับอารมณ์อารมณ์มเดียวเวลาที่ ร, รับ คนที่เรารักสัต์ที่ ร, รักเขาจะทั้งเร็วขนาดไหนก็ตามเราก็ยังรักถึงเวลโตขึ้นมาทําดีขนาดไหนมันก็เกลียดใช่ไหมไม่นึกถึงความดีของเขาก็าลงความว่าจิตมารับอารมณ์เฉพาะในลักษณะที่จิตจะออกจากร่างถ้าบังเอิญมายกเอากรธสนเขา้าก็ไปอบัยโยมได้นั้นพระเจา้าทรงสองนสให้ฝึกจิตให้ในอารมณ์ทรงตัวถ้าเราจะตั้งใจนึกถึงบุญทุกวันก็นึกได้แต่มันนึกไม่ไหวหรอก แม้แต่วัดที่ไปสมบูร์นี่จําไม่ได้หมดเลยใช่ไหมพระที่รับบุญจากเราที่เราทำบุญด้วยเราก็จําไม่ได้หมดก็เกาะหลักใหญ่คือพระพุทธเจ้าเริ่มเจริญสมาธิคิดว่าชาติที่ทั้งชาติเป็นมนุษย์ชาติต่อไปซึ้นอยู่เป็นมนุษย์ไม่มีสําหรับเราเราจะต้องเป็นนางฟ้าเป็นเทวดาได้เป็นทรงรุ่นปณิพานธ์อันดับแรกกดกระหน่รู้จักลมให้ใจเข้าออกให้ใจเข้านึกว่าพุทธ ให้ใจออกเพื่อวัดโภคแล้ว่าคำภาวนาเนี่าโยอมพุะธุริสัจไม่จํากัดนะจะพูดตั้งว่าพุทโธก็ได้สมาหลังก็ได้อิทธิคุกโตก็ได้ยุบหน่อของหนอก็ได้อะไรก็ได้ทั้งหมดแต่ก่อนที่จะนึกนึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนนึกถึงพระเจ้าแล้วก็ภาวนาแล้วเสื่อมโยงใจให้ใจิตมีงานใช่จิตมีงานในใจบุญด้านบุญละบาปขณะใดที่จิตรู้ลมให้ใจเข้าออก จิตไม่คิเรื่องอื่นเวลานั้นจิตเป็นสมาธิจิตว่างจากกิเลสขณะใดที่จิตยังรู้คำบรรณาาอยู่อารมณ์อื่นไม่เข้ามาแทรกเวลานั้นจิตว่างจากกิเลสคือความดีเพราะได้เข้าสมาธิก็มีหลายขั้นบางทีญาติโยมต่างๆจะบอกว่าจิตมันไม่สงบมันคอยกระคึกคิดโน้นคิดนี้เํ้ามาแทรกอันนั่นถือเป็นเรื่องธรรมดาต้องถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา เราตั้งใจทําความดีนึกถึงความดีถ้าจิตมันไป น, นึกถึงความชั่วก็ไปเรื่องของมันถ้ามันนึกนังนักเข้าบังคับไม่ไหวก็เลิกอ่าหนังซื้อบ้างดูโทรทัศท์บ้างล้องราทาเพลงบ้างแต่ห้ามไปด่าคนนะอะาการให้ดีนะไว้ต้องตางสบายๆแค่วันเดี๋ยวหนึ่งจิจก็สงบพออารมณ์เรื่องสงบ ก, ก็จัดลมหายใจเข้าออกใหม่จะภาวนาใหม่แค่วันเดี๋ยวก็หายอีก ไม่นานนักนาทีสองเียก็หายไปคิดปั้นใหม่อย่างนี้ท่าเรียกวขาดนิการสมาธิ <c oughs> จลืมเรื่ความดีที่เราทําเราทํามันแล้วมันจะน้อยก็าตามมันจะมากก็าตามมันจะสะสมตัวอยู่ในใจของเรามไม่ให้สลายตัววันนี้ทำได้หนึ่งนาทีเป็นสมาธิปิดไม่คิดทเรื่องอื่นวันพรุ่งนี้ได้สองนาทีก็รวมกันเปสามนาทีอีกวันหนึ่งทำได้ห้านาทีก็รวมกันไปแปดนาที คุณไม่จะรวมตัวแบบนี้นเล็กน้อยจนระทั่งจิตเมื่อจิตเข้าถึงคณิกสมาธิเรียว่าสมาธิเล็กน้อยไม่ได้มากตายแล้วไปไหนก่อนที่จะตายถ้าบ่อเอิญจิตของเราจับนึกถึงภาพพระพุทธเจ้าก็ีพระพุทธรูปกดีพอจับได้มันจะเกาะติดแล้วก็ตายจากความเป็นคนออกจากร่างจะไปสวรรค์เป็นนางฟ้าได้เป็นพมทันทีเห็นไหมเขาไม่อยาก ทีนี้ต่อไปสําหรับสมาธิสมาธิขั้นที่สองคืออุปจาระสมาธิ <c oughs> อุปจาระสมาธิที่มีความสุขกับปีติคือความอิ่มใจเป็นพื้นฐานก็เริ่มทําปัจจิตจะเริ่มเป็นสุขมีความเ อ, อื้อกิ่งแต่ตอนนี้ต้องระวังนะถ้าจิตเข้าถึงอุปจารสมาธิที่ต้องระวังว่าเราเคยพักเวลาเท่าไหร่เราเคยนอนเวลาไหนตื่นเวลาไหนให้เป็นไปตามนั้น อย่าฝืนเพราะความอิ่มเอิของจิตก็ดีความสุขของจิตก็ดีจะเป็เหตุให้เราไม่อยากเลิจจจจจกจากการเจริญสมาธิไม่พักผ่อนตามเวลาถ้าฝืนฝืนร่างกายแบบนี้ไม่ใา่เราก็เป็นโรคจิตประสาทต้องจําเวลาพักผ่อนไว้ถ้าจิตเข้าถึงอุปจารสมาธิมีปีติคือความอิ่มใจแล้วก็มีความสุขมีความสุขใจด้วยความอิ่มใจด้วย ถ้ามาประากันท่านบอกว่าสมาธิขนาดนี้ถ้าตายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นสวรรค์ขั้นยา ม, มารู้จักไหมพระแก่รู้จักไหมรู้จักเลยโกหกอ่ะสาวาทาวรีระมณีถ้าโกหกพระเจ้าต้องไปฟัแกมไม่รู้เรื่องนะยิง่งคนที่ยังรู้นะก็เป็นว่า เือบุษสวรนค์เช่นามาแต่ว่าสมบุญของเราไม่มีเฉพาะสมาธิอย่างเดียวคนทุกคนรู้จักไหว้พระรู้จักในความเคารพพระพุทธเจ้าเคารพพระธรรมเคารพพระอริยสงฆ์ถ้าทุกคนเคยสมาทานศีลทุกคนเคยให้ทานทุกคนเคยฟังเทศเคยเจราาิญภาวนาเมื่อออกไปได้ปั๊บบุญทุกอย่างจะเข้าขมารวมตัวกัน จะจะผิว่าเกิดชั้นยามาเสมอไปไก็ไม่ได้คุณตัวไหนที่มีกระดังแรงกว่าจะพาไปที่นั่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีสมาธิเล็กน้อยไม่ถึงฌานก็ให้เลือกสบายนเกิดการชอบใจชอบชั้นไหนก็เกิดชั้นนั้นวันนี้ผมไม่จบกระถ้ามันพูดมากแล้วพูดคนเดียวผมไม่จบนะเอาต่อต้ก น, กนกันนะเอาไ้ต่อกวนหน้าไม่ได้มาหากินยังไง ดูตัวอย่างคนที่มีบุญมากมีสิทธิ์ทีเกิดเป็นพรมได้แต่ก็ไม่ไปคือว่าเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารนั้นท่านเป็นพระโสดาบันด้วยแล้วเวลาตายก็ตายในฌานเป็นฌานสี่ถ้าตายในฌานเป็นฌานสี่กันหนึ่งสองสามสี่ก็ตามทั้งหมดจะต้องไปเป็นพมแต่เมื่อออจากร่างไปแล้วร่างกายเป็นพรหม แต่วก็มีความรู้สึกนึกว่าใช่ก่อนที่เราจะมาเกิดเป็นมนุษย์เรามาจากเั้นจาตรตมหาราชฉั้นเราไม่ไปมระมุขอยู่ที่เดิมก็เลยลงมาอยู่ชั้นจาตรตมหาราชเห็นไหยมีสิทธิ์ไปสูงก็ไม่อยากไปก็ได้ในฐานะที่เป็นพระอริยเจ้าอยู่ก่อนแล้วก่อนตายแล้วก็ตายในฌานเมื่อยนอยู่ชั้นจาตุมหาราชเขาว่าเลยให้เป็นอินทกระคําว่าอินทกระนี่หมายว่ารองจากท้ามหาราช ทร้อมที่เป็นเทวมาราชจริงๆเจตลิมเนอร์เทวมราชองค์นั้นคือเทวมหาชม่มภูท่านไปเป็นชมเทวเวสมันไม่ใจพระเจ้าพิมสารนี่นะพ ร, ระเจ้าพิมิสารก็เป็นเทวเวสวร์แทนจะไม่มีเที่ยวนะเทวสวร์องค์นี้ไม่มีเที่ยวน <c oughs> ี่รวมความว่าถ้าจิตเราเข้าถึงฌานคําว่าฌานนี่ก็มีอารมณ์ไม่หนักจะพูดถึงอาการยากโยม ก, ก็ฟังยาก วันจะว่าอารมณ์ที่กระทบก็แล้วกันขณะใดที่เราเจริญสมาธิอยู่เวลานั้นใครส่งเสียงเอะโวยวายไงก็ตาม <c oughs> จะเป็นเสียงร้องรำทำเพลงเสียงทะเลาะกันเสียงด่ากันเสียงพูด ก, กันก็ตามทั้งหมดเราไม่รำคาญในเสียงเราสามารถเจริญภาวนาพิจารณาได้ตามทิายาสายอย่างนี้จะเรียกว่าปฐมฌานเป็นฌานที่หนึ่งถ้าคนที่ได้ฌานที่หนึ่ง ให้คำว่าฌานเราจะให้จะให้ทรงทั้งวันมันเป็นไปไม่ได้แต่ว่าพระอริยเจ้าได้นะถ้ายังไม่ใช่พระอริยเจ้าในไม่ได้เวลานี้กําลังนั่งภาวนาอยู่สามารถทรงฌานได้พอเลิกแล้วฌานก็พลานหลุดแล้วใช่ไหมฌานหนีไปก็คิดโน่นคิดนี่ํามเดิมเวลาไปของธรรมาดานี่เมื่อเราทําทุกวันวันหนึ่งถึงแม้จะไม่ใช้เวลาได้มากจะได้สักสองสานาทีเป็นฌานก็ตาม ถ้าพูดตามภาษาพระก็บัญชีนรกเขาจดเฉพาะอารมณ์สูงสุดบัญชีที่เาจดนะวันนี้เรามีอารมณ์ทพ่งชาญสี่เขาจดชันสี่เลยวันพรุ่งนี้เราได้ชันสามเขาจดชันสามแต่ว่าใคาจะมาบวกกับไอ้สิ่งที่มันสูงสุดเขารู้ทุกอย่างนะไอ้มือนรกมัไมต้องไปแจ้งเ ข, ขาเขารู้หมดแม้จะไม่รู้ไม่ใครนึกจะด่าใครบ้างไหนเขาจดแล้วนั้นนะ เงียบเงียบนะจับเป็นนึกสุดๆไปนะก็เป็นว่าในเมื่อถึงฌานสี่ก็จงอย่าคิดว่าจิตจะไม่วอกแบบจิตจะได้นกระสับกระส่ายฌานสี่ถ้ายังไม่คล่องมันจะทรงตัวเฉพาะเวลาเดียวนั่งเวลาเรานั่งอยู่ก็ไม่ตลอดเวลาเมืทีนั่งครึ่งชั่วโมงภาวนาครึ่งชั่วโมงมันจะได้ฌานสี่จริงสักสองสามนาทีประชั่งเขาจะจบตรงนี้ ถ้าเรามานต่กน่ะจะพาเราไปสวรรค์ไปสมนั้นเ ม, มื่อเราจะตายฉะนั้นขบรนดาลญาติโยมผู้โดยสทัางหลายให้ถือ ว, ว่าการเจรเดินสมาธิมีความจําเป็นทางที่พระเจ้าสัดว่าจงอย่านึกถึงความชั่วดีผ่านมาแล้วอะไรก็ตามที่มันเป็นบาปอย่านึกถึงมันคิดอย่างเดียวได้ของความดีความดีอะไรคิดตัวไหนก็เกาะพระพุทธเจ้าเป็นหลักใจ ก่อนจะภาวนาก็บอกแล้วว่าขบวนาไม่จํากัดแล้วก่อนภาวน า, านึกถึงมีความเคารพหลวงพ่อเจ้าก่อนเราบูชาพระว่านามโมทัสสะพระว่าโตเป็ตนต้นน่าแสดงนันการรับนัคือยอมรับนั่นถือพุทธเจ้าโดยความเคารพต่อมาว่าพุทธังสนังกระฉามิเขาจะถือขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งทำมังสนังกระชามิขอถึงบัตธรรมเป็นที่พึ่งทั้งขังสนังกระชามิขอถึงพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่ง แล้วก็จะกล่าวแล้วเราจะทำแล้วใช่ไหมทั้งนี้ในเพื่อทำแบบนี้กลาวแบบที่ทายก็ทําแล้วถึงก็รักษาแล้วภาวนาก็เยิดแล้วบุญมหาศาลเราต้องว่าก่อนจะตายได้จะต้องนึกว่าหนึ่งทานการให้เราให้แล้วทานปกติเราก็ให้ทั้งกทานเราก็ถวายคทั้งกทานเลยสูงมากพระเราก็มีความเคารพแล้วสิ่งนั้นก็เคยทําแล้วทุกอย่าง มันเป็นความดีที่พาเราไปสู่สุขภาพีได้ใจก็ต้องใจคิดว่าบุญทุกอย่างที่เราทำเราจะตามนึกถึงทุกอย่างในไม่ไหวถวาไหวเราะทาอยู่คืข้างขวัญจะไม่ได้ใช่ไหมมันนึกไปออกอย่างนั้นเอาเกาะหลักใครอย่างหลักเดียวคือพระพุทธเจ้าภา ว, าวนาว่าพุโทโธก็ได้สัมมาแรางก็ได้อะไรก็ได้ตามชอบใจนะภาวนานี้ไม่จากัดให้ใจเข้านึกว่าพุท ให้ใจออกไปวัดภูให้รมมันชินเฉพาะเกาะพระเจ้าจไปเจกินแล้วเมื่อเกาะไปเกินอยู่ตามนี้อะไรไม่ชาตในเวลาที่เราจะตายเวลาที่จะตายจริงๆหรือใครจะตายเมื่อไรวะปันตายเมื่อไรถ้าแก่จะตายเมื่อไรมันน่าจะรู้นะถ้าใครก็ถามว่าจะตายเมื่อไรก็ต้องบอกว่าฉันเลือกหาใจมื่อไรฉัตายเมื่อนั้นจ้าแค่เนี่ยตอบไม่ได้หมไม่น่านเลยนะ ตอนนี้เป็นเวลาที่เราจะตายจริงๆจิตก็เกาะหูจับพระอาศัยเคยชินะคําว่าชานนี่คือชินแต่วนึกถึงพระเจ้าจดชินแต่เวลานั้นจะนึกถึงพระเจ้าหรือไม่นึกก็ตามพะานึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นบุญทานที่เคยให้หงือทานที่เคยถะไหวหรือนี่เคยรักษาภาวนาที่เคยทําอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะเพียงแค่นี้จะลงนรกไม่ได้ ถ้ากาะบุญนิเดียวก่อนตายจะออกไปจากกายบุญทั้งหมดที่ทําแล้วทั้งหมดจะเข้ามารวมตัวกันก็เป็นว่าการเจ ร, รยิญกรรมฐานมีความจําเป็นถามว่าทําไมยังเป็นเราให้จิตมันชินแั้วได้กความดีเก็ะความดีไว้ตอนเชา้าด่าตอนเช้าด่าเขาบ้านเขาตอนสายเราก็ชมเช น, นี่แก่กันนะในฉันไม่ว่าใครนะไอ้คุณฟังไอ้คุณขา้างหน้าเนี่ยาบ่อยใช่ไหมป้อม บอกเขามายอมตอบรับแล้วบอกว่าที่เหยียบพูดนะก็ไป็นรอวันนี้เอาแค่นี้นะยาดโยกนะขอทุกคนถือว่าการยืนยันกรรมฐานมีความจําเป็นเดี๋ยวยังในเลิกเอาเท่านี้เนี่ยเรื่องใหญ่เลยมาเรื่องพิเศษเ อ, อีกนิดหนึ่งเขายั่หน่อยเพราะอะไรมไหมในการยืนยันกรรมฐานจริงๆถ้าทําเป็นล่ําเป็นสันมันอาจจะเกินพอดีไปก็ได้ <c oughs> เอาก็แค่แบบคนที่เกลียดพอตายแล้วไม่ลงนรกดีกว่าง่ายดีนะยื้มเป็นแถวนะ <c oughs> คนที่เกียก็ทำแบบนี้นะก่อนจะนอนภาระอื่นกิตอื่นเสร็จหมดแล้วแล้วก็นอนลงไปแล้วใจก็นึกถึงพระพุทธเจ้าจ็นึกถึงพระธรฆองค์ใดองค์หนึ่งโดยเฉพาะที่เราชอบ หลังจากนั่นกจิตจับลมให้ใจเข้าออกภาวนาว่าพุทโธก็ได้อะไรก็ได้นะเอาพุทโธไปเกณฑก็แล้วกันให้ใจเข้านึกว่าพุทหายใจออกนึกว่าโธทังแค่สองสามครั้งมันก็หลับไปใช้ได้ขณะที่ภาวนาอยู่ถ้าจิตเข้ามาถึงฌานมันจะไม่หลับให้เพื่อนสังเกถ้าจิตสงบถึงฌานมันจะตัดหลับทันทีจะเป็นชัขนาดไหนก็ตามขณะที่หลับอยู่กี่ชั่วโมงก็ตาม ท่านถือว่าทรงชานตลอดเวลาถ้าตายเวลานั้นจะเป็นพร ท, ทันทีตัวอย่างน้อยนะถ้าบังเอิญก่อนจะตายก็จะหลับเราต้อถึงนิพพานไว้ก่อนภาวานาด้วยนึกถึงนิพพานไว้ก่อนด้วยแล้วก็หลับที่เป็นชายก็หลับคือเขาถือว่าจิตทรงชันใ น, ดนได้เพราะนิพพานที่เรียกว่าโอปปสมมานติกรรมฐาน <c oughs> ถ้าตายเวลาหลับจะไปนิพพานทันทีเอะนไรมันไม่ตาย มตื่นใช่ไหมมันไม่กายมาตื่นทําไหนก่อนจะขยับตัวไปไหนเว้นไว้ตบต้องขี้นะต้องรีบไปสวมนะเข้าห้องกรรมฐานมันไม่ปวดใจละไม่ปวดปัสสวะก็ยังไม่ต้องลุกขึ้นมาเพราะขณะที่ก่อนจะหลับติดเราเป็นฌานเมื่อตื่นขึ้นแล้วฌานยังไม่คลาตัว <c oughs> ยังทรงอยู่ก็เริ่มจับลมหาใจเขาออกใหม่ภาวานาใหม่แค่สองสามครั้งก็ตาม เพียงแค่นี้ทําทุกวันบรรดาญาติโยมบริุทธิ์ไว้ใจทุกท่านทุกคนเวลาจะตายจะไม่นึกถึงอกุศลจะนึกจะเพราะกุศลอย่างเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าทําอย่างนี้ทุกวันทําแบบคนที่เกียจเนี่นะไอ้ทำไม่คนขี้เกียดก็เลยส อ, อนให้รู้สึกเป็นคนขี้เกียดด้วยใช่ไหมถ้าทําอย่างนี้ทุกวันถ้าเจะป่วยหนักขนาดไหนก็ตามถ้ายังไม่เห็นเทนวดายังไม่เห็นนางฟ้าไม่เห็นพระไม่เห็นพระอริยเจ้าไม่เห็ทุเจ้ายังไม่ตาย ถ้าขณะที่ปวยถึงแม้มันจะไม่หนักเห็นทิวดาเห็นหนางฟ้าเต็มจักรวาลเห็นพรหมเห็นพระอริยเจ้าเห็นพระวิริยเจ้าพนั้นตายแน่ถ้าตายไปยังไงก่อนจะตายทุกขเวทนามันหนักมันปวดหน้าปวดหลังปวดเสียดแช่เพราะ ก, ก่อนจะตายจริงสักเวลาเอาอย่างน้อยที่สุดประมาณยี่สิบนาทีน่ า, า จ, จะเป็นสองสมวันก็ได้นะไอ้ที่มีทุกขเวทนาเนี่ยมันจะหายไป กิจประจักอยู่ที่เทวดาที่นางฟ้ากับผมแล้วก็อริยเจ้ามีความเปลิดเพลินคุยกัท่านแบบสบายๆท่านนั่สุือิจกระดับก็ไปสวรรค์ไปพรหมโลกไปที่พานได้ตามชอบใจพระร บ, บรรดาแยกโยบุตไรไปสัตว์ร้ายแนะนําไปแนะแนํามาแนะนําให้คนขี้เกียจซะนี่เพราะว่าครูมันขี้เกียจนะต้องสีขยันก็ใช้ไม่ได้ใช่ไหมหากินแบบนี้พระอริยเจ้าที่ดังสอนท่านสอนแบบนี้มือนกันทุกอง เวลาไหนมันชลาดก็ช่างมันเวลาก่อนหลับจะพลาดถ้าตื่นใหม่ๆปับ๊บถึงไม่จะมีทุระมากกว่าตามก็ช่างมันสักสองนาทีเราจะเป็นไม่ได้วยธุระใช่ไหมต้องทำได้ถ้าตอนนี้ไปก็ะดายญาจงพุทธไวยสัตหลายตั้งใจสมาทานสืบสมาทานไปก